ตอนนี้วิทยุออนไลน์ก็มีใช่ไหมได้ปะได้ค่ะเราทลองเช็คดูว่าถ้าฟังออนไลน์วิทยุก็ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้กำลังมากเพราะเอาแต่เสียงเสียงมันไม่ได้มไม่ได้กินแบนด์วิด ยุบา น, นะคะหนูไม่ได้ปฏิบัติแบบอนาัตตาสติก็เหมือนกันก<ต>็นะแต่ว่าเขาหได้ยินคนที่ปฏิบัติอนาัตตาสติมาว่าเขาจะต้องเห็นปฏิภาณนิตดเห็นแสงสว่างแล้วแสงสว่างเท่านั้นที่จะทำให้ชันไม่เสื่อมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนที่นั่งสมาธินี้ต้องการอุเบกขาต้องการจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขัตะโรอันนี้เป็น เป็นฌานที่สี่จะว่าใช้อนาปนานสติใช้พุโทโธใช้ยุบหนอพองหนอก็เพื่อให้เข้าถึงฌานที่สี่นี้จะเห็นพระเห็นอะไรนี้ไม่สำคัญสิ่งที่เห็นในการนั่งสมาธินี้ไม่ไม่สำคัญไม่ต้องการเห็นอะไรเห็นก็อยากไปสนใจเหมายถึงว่าจะให้จิตธาตุาา อ, อยังไม่ถึงเวลา ต้องให้จิตมีสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยไปดูท่าสีไปดูท่าสีนี้เรามานั่งคิดเองก็ได้ไม่ต้องนั่งให้มันให้มันโผล่ขึ้นมา hmm. เราพิจารณาได้อยากแยะได้สิ่งสำคัญคืออ น, นิจจังสั ง, ง, งา ส, าสาระจะมีค่ะสังสาระก่อนจะถึงนั่นต้องไปอุเบกขาก่อนต้องไปได้อุเบกขาต้องจิตเป็นเป็นสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งก่อนเป็นอัปปนาสมาธิก่อน ถ้าจิตไม่รวมไปแล้วปั น, ปนาสมาธิดูยังไงก็ไม่มีกําลังที่จะตัดตัณหาได้ตอนนี้เราไม่ได้ขาดปัญญากันปัญญาเรามีเยอะแยะกันฟังเทศฟังธรรมจนหูฉีกแล้วรู้แล้วเกิดแก่เจ็บตายรู้อรสุภะรู้อะไรหมดแล้วแต่ไม่มีกําลังตัดมันไม่มีกําลังปล่อยมันตัณหามันยึดติดอยู่ยังหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้ รู้ว่าต้องแก่ไม่ใช่เลยรู้ว่าต้องเจ็บไม่ใช่เลรู้ว่าต้องตายไม่ใช่เลยแต่พอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายทุกข์รู้ปะทําไมต <sub> ้องทุกข์ด้วยทุกข์เพราะความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้นั่นเองเพราะไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขามีสมาธิแล้วก็จะเฉยได้แก่ก็เฉยเจ็บก็เฉยตายก็เฉยไม่ทุกข์ก็่ามัน ตอนนี้เรามีปัญญากันสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีปัญญากันมีแต่สมาธิกันสมัยที่พุทธเจ้าปฏิบัติตอนนั้นมีฌานกันทุกลูกพระปัญจวัคคีย์ก็มีฌานพระพุทธเจ้าก็มีฌานแต่ไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากจนพระพุทธเจ้าเป็นคนพ้นพบว่าออความทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายนี่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองพอหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ก็ไม่ทุกข์สมัยนี้เรากลับกันสมัยนี้เรามีปัญญาเราฟังเทศฟังธรรมเราอ่านหนังสือธรรมะเรารู้อริยสัจสี่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ่พอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายก็หยุดไม่ได้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสมาธิกันเวลาเรานั่งสมาธิจิตสงบมันหยุดความอยากไปหมดเลยความอยากหายไปหมดเลยเวลาจิตรวมเป็นสมาธิสัก์แต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบคาอุเบคาคือใจเป็นกลางใจไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลง ไม่มีกามาตัาหาไม่มีภวะตันหาไม่มีวิภาวะตันหาแต่มันเป็นเฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอมันไปเห็นความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะอยากขึ้นมาทันทีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็จะทุกข์แต่พอพระพุทธเจ้าบอกว่าก็อย่าไปอยากเท่านั้ น, นก็ทําใจเฉยๆก็นึกถึงอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิมา เราก็เฉยๆได้ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะเรารู้ว่าอุเบกขาเป็นไงแล้วเรารู้จักทําใจให้เป็นอุเบกขาแล้วพอเจอความแก่แล้วก็ทําใจเฉย ๆ, ๆเจอความเจ็บแล้วก็ทำใจเฉย ๆ, ๆเจอความตายแล้วก็ทําใจเฉย ๆ, ๆเพราะเราทําอะไรไม่ได้กับความแก่ความเจ็บความตายไปดีใจไปเสียใจมันก็ไปไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้มันก็ต้องแก่เจ็บตายของมันไป ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ทำใจเฉยๆนะรับรับดูมันไปรับรู้ไปสักแต่ว่ารู้ไปเ่เราไม่สักแต่ว่ารู้กันพอรู้อะไรแล้วจะมีตันหาตามมาทันทีถ้ารู้สิ่งที่เราชอบก็อยากได้อยากให้อยู่กับเราไปนานๆพอไปรู้กับสิ่งที่เราไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอไม่หายก็ทุกข์พอสิ่งที่เราอยากให้อยู่พอมันไปก็ทุกข์อีก ก็ทุกข์เพราะความอยากอยากให้อยู่อยากให้ไปแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปไปอยากก็จะทุกข์อยากให้มันไปก็จะทุกข์อยากให้มันอยู่ก็จะทุกข์นั้นเฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปยินดียินร้ายเนี่ยเราไม่รู้จักทําใจให้เฉยกันยังต้องมานั่งสมาธิกันทางปัญญาเรารู้หมดแล้ว รู้ว่ารู้จักอริยาศาสตร์สี่แไหม่ยความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากแล้วการดับของความทุกข์ก็เกิดจากการมีมรรคมรรคก็คือมีศีล ส, สมาธิปัญญาศีลเรามีครบหรือยังเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์หรือ ย, ยังสมาธิจิตเราเป็นอุเบกขาหรือยังปัญญาเราเห็นหรือยังว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ รู้ว่าไปทำอะไรไม่ได้ก็เตรียมตัวรับความแก่ความเจ็บความตายไปเท่านั้นเองแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราอนตาัตตร่างกายเป็นอนัตตาเป็นของพ่อของแมนะ่ใครเป็นคนสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่จะมีร่างกายนี้ได้หเปล่าแล้วถ้าไม่มีอาหารจะมีร่างกายนี้โตขึ้นมาได้เปล่ามันก็ต้องอาหารอาศัยอาหารอาหารเป็นมาจากอะไร ทําไมมาจากน้าจากดินจากลมจากไฟน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นน้ำลมหายใจเข้าไปอาหารดินก็ข้าวไงข้ามาจากไหนข้าก็มาจากดินผสมกันก็เกิดไฟขึ้นมาในร่างกายเกิดความอุ่นก็ขึ้นมาในร่างกายมันก็ทำให้ร่างกายะเะริ้เติบโตขึ้นมาทำให้ผมยาวทำให้กระดูกใหญ่ขึ้นโตขึ้นทุกอย่างโตขึ้นเพราะอาหาร อาหารก็คือดินน้ำลมไฟนี่แล้วเวลาตายไปมันไปไหนอ่ะมันก็ไปโคตรทางกันไม่ใช่น้ำก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางเผาก็เหลือแต่กี้เท่าีเทาก็ดินนี่เศษกระดูกก็ดินอันนี้มันไม่ต้องมานั่งหลับตาให้มันเห็นหรอกมันต้องใช้เป็นยต้องใช้การวิเคราะห์ก็เรียกว่าการพิจารณาวิปัสสนานี่เป็นการวิเคราะห์ ไอ้พวกที่เขามีปฏิภาคนี่เป็นพวกโอกาสนิมินีเขาอาจจะเป็นพวกที่เคยมีสะสมไว้ในอดีตพ อ, อนั่งสมาธิจิตสงบแล้วมันก็เห็นขึ้นมาว่าอ๋อเห็นโครงกระดูกของร่างกายเห็นอสุภะเห็นอะไร อ, อันนี้เป็นเพราะว่าเคยสะสมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในใจแล้วพ อ, อนั่งสมาธิใจสงบข้อมูลเหล่านี้มันก็โผขึ้นมาให้เห็น เราก็เอามาเจริญต่อมาสอนใจว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยมีอาการ32มมีโครงกระดูกมีเอาไว้ว่าต่างๆแล้วก็มันไม่มีตัวไม่มีตนในสิ่งเหล่านี้แต่เขาบอกค่ะหรือว่าคือเพื่อไปเห็นเนี่ยเห็นด้วยจิตไม่ใช่เห็นด้วยความวิเศษของสมาธิเต่เขาบอกว่าเอาจิตเข้าไปรู้เป็นกลาดาษเลยนะคะเป็นเซลลต่างๆกลาดาต่าง ๆ, ๆในร่างกายจะกาถ้ามันแตกออก จนไม่เล็กๆตัวระทั่งมันใสคือรู้ด้วยจิตพอรู้ด้วยจิตเนี่ยจิตจะคลายความยึด ม, มั่นความเป็นตัวตนได้แต่ถ้าเกิดเราเห็นด้วยคำพูดเนี่ยเราได้แค่จําได้มันก็เปแค่สัญญาแต่ไม่ได้เป็นถึงข้างในก็บอกว่ารู้ด้วยจิตไม่ต้องรู้แบบนึงแล้วจิตของมันจะอบรงตัวเองเองขอาอธิบายประมาณนี้ค่ะก็แล้วก็แล้วแต่เขาก็จะรู้แบบนั้นก็ว่าไปก็ไม่ได้ว่าเลยก็ไปพิสูจน์ดูเอาก็แล้วกันจะรู้จริงไม่จริงจะเป็น จริงไม่จริงก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติเท่านั้นจะรู้แบบไหนก็ได้ไม่เห็นจะเป็นจะต้องรู้แบบนั้นแบบเดียวรู้แบบอื่นก็ได้ฟังเทศฟังธรรมยังบรรลุได้เลยไม่เห็นจะต้องมีอุคคานิมิตอะไรวเวลาฟังเทศฟังธรรมมันก็เป็นสัญญาไม่ใช่เลยฟังเสียงพุทธเจ้ายมตรสอนว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายทุกข์เพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย พอฟังจอบอัญญางคนธัญญะก็เป็นสุดาบานขึ้นมาได้แนละ้วไม่นจะต้องไปนั่งมีนิมิตอะไรนะเขาบอกว่าอเขาบอกว่าอะไรนะหรือวถามเขาเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่ า, า ญ, ญาติบุญญาท่านได้สร้างบา ร, รมีมาเยอ ะ, อะเราไม่ใช่อย่างนะั้นเขาว่าเป็นงั้นเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบา ร, รมีไม่บา ร, รมีอะมันคนลนเรื่องกับการต้องมีเห็นอย่างที่คุณบอกเห็นเป็นเม็ดเป็นนิดอะไรเนงะียข า, าไม่เห็นต้องเป็นเห็นยังนันเข้าบรรลุได้ ใช่ไหมงั้นถ้าอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงก็เอาไปปฏิบัติพิสูจน์ดูพระเจ้าบอกว่าใครพูดอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อการละมัสูตรเข้าใจไหมเกิดได้ยินการละมัสูตรหรือเปล่าเขาว่ายัางไงก็ฟังไว้แต่อย่าไปปฏิเสธอย่าไปเชื่อเอาไปพิสูจน์ดูว่า ด, ดับความทุกข์ได้เปล่าถ้าดับได้ก็ใช้ได้ถ้าดับไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ ดูตรงนั้นต้องดูดูด้วยการพิสูจน์ไม่ใช่มานั่งถกเถียงกันก็นเดี๋ยวมันเหมือนพวกตาบอดคำช้างเถียงกันไปจะมันตายคนไปจับหางช้างก็ว่ามันเป็นเชือกคนไปจับงวงช้างก็ว่าเป็นงูแลเถียงกันเป็นตนตายมันก็ถูกด้วยกันทั้งคู่อะพิสูจน์เป็นปฏิบัติดีกว่าอนะ แล้วถ้าเกิดรานั่งสมาธิแล้วไม่เห็นนิมิตจะทำยังไงอะไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยยังคนที่เรียนนักพามเาก็บอกว่ามีบที่จะได้ประุธรรมจะต้องมีอะไเกิดด้วยเหตุสามพวกนี้มีแต่ท่าทั้งนั้นเน่มันถึงไม่บรรลุกันสักคนคนน้นยก็ท่ายนั่งท่ายนี้ต้องมีบารามีเก่าต้องมีนู่นมีนี่ อย่างนั้นก็ถ้าไม่มีก็ไม่บรรลุกันนะสิแล้วอน่างปฏิบัติเป็นยังไงอย่า ง, าาาางก็ไม่ต้องปฏิบัติเสอบาปเปล่าผมอาจาท่านพูดจริงเัินรึเปล่าอาจารย์บอกถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้นี่เจ็ดวันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้เจ็ดปีก็ได้ทํา <c oughs> ไม่ไม่ฟังตรงนั้นนะ่ะของแท้ของจริงเราไม่ ไ, ม <c oughs> ไปฟังไปฟังไอ้พวกที่ไม่มีอยู่ในคัมภีร์ทำไมพวกธรรมะนอกคัมภีร์ไปฟังทำไม พรงนี้เขพูดเพื่อแก้ตัวเขาเองเข้าใจไหมเขาข้างตัวเขาข้างตัวเขาเองปกป้องคําคิดของเขาถ้าเราอยากจะปฏิบัติมายากจะศึกษาต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกก่อนพระสูตรสําคัญสําคัญเช่นธรรมจักรสติปัฏฐานสี่อนัตตลกนะสูตรอาทิตยสูตรสามสี่สูตรเนี่ยจะเป็นเป็น หัวใจสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าบงคลละสูตรอ่านไปก่อนแล้วทีนี้จะได้ไม่สงสัยใครจะมาพูดยังไงเราก็จะรู้ว่าเขาพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของเขาแหละเนี่ยมันเถียงกันบางคนก็ว่าไม่ต้องนั่งสมาธิใช่ไหมอปัญญาเลยไอย้พวกมันต้องนั่งสมาธิให้เห็นนิมิตก่อนอ่อย่าเชื่อใครดีนะ่ะ ใช่ไหมมันก็เถียงกันตีกันอยู่ตรงนี้ค mm. จริงมันต้องมีทั้งสองอย่างแต่นั่งสมาธิก็ไม่ใช่นั่งเพื่อให้เห็นนิมิต mm. นั่งเพื่อให้เห็นความสงบให้ได้อุเบกขา mm. ให้หยุดตัณหาได้ mm. สมาธินี่มันหยุดตัณหาแล้วเพียงแต่มันหยุดชั่วคราวเท่านั้นเองพอออกจากสมาธิมาพอเห็นขนมก็อยากกินแล้ว mm. งั้นพออยากจะกินก็ต้องใช้ปัญญามาแก้แ่นะดูขนมตอนที่มันกลายเป็นอาหารที่อยู่ในท้องเราสิ แล้วดูสิอยากจะกินไหม mm hmm. เวลาอาเจีนออกมาเนี่ยขนมที่อยากจะกินนี่พอเห็นว่ามันออกมาจากท้องนี่อยากจะกินไหมอ่า mm hmm. นี่ก็ปัญญาล้ว mm hmm. อันนี้ก็นิมิตละนิมิต ด, ด้วยด้วยจายคิดนี่แหละก็เป็นนิมิตขึ้นมาแล้วนึกถึงอาหารนึกถึงความเป็นปฏิกลของอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารอยู่ในจานอะไรนะเห็นอาหารในจานแล้วน้ำล า, ลายไหลไหม แต่เห็นมันอยู่ในปากแล้วเคี้ยวออกเคี้ยวแล้วคายออกมาอยากจะกินหมือนเข้าไปไหมนั่นแหะเนื้อปัญญาแล้วว่านั่นละนิมิตแล้วคนไม่ปฏิบัติมันก็นั่งฝันไปว่าต้องเป็นนิมิตอย่างนั้นนิมิตอย่างนี้ขึ้นมาอา mm hmm. จารย์ไหมอันนี้ก็เป็นทั้งอุกขหหนิมิตนึกถึงอาหารที่อยู่ในปากก็เป็นอุกขาหนิมิตแล้วนึกนึกถึงปฏิภาก็คายมันออกมาเดี mm ๋ hmm. ยวมัานไหนกินข้าวเลย เห็นมันอร่อยอร่อยลองคลายมันออกมาแล้วตัดข้อกินใหม่ด้วยเลไ ด, ดัดกิเลสได้ถ้ามันกินเพื่อความเด็ดอร่อยได้ลองดูหน้าตามื่อยหร่เลยมันก็กิเนเด็เหมือนกันความเกลียดไม่ความเกลียดมาม า, มาทำลายความรักไม่เป็นไรมันต้องเอาความเกลียดมาทำลายความรักมันถึงจะหายกันมันถีงจะเป็นกลางได้ถึงเอาสุภาพมาทาลายความสวยไง ใช่ไหมถ้าเราเกลียดมากจะกลายเป็นคนมากโกรธอ๋อถ้ามากก็ก็กินยามากเกินไปก็อยากอย่าให้มันมากให้อามาพอให้มันดับความรักเท่านั้นเองเอาความเกลียดมาดับความรักให้มันอยู่เฉยเฉยให้มันเป็นกลางไม่ให้มันรักไม่ให้มันรักไม่ให้มันชังถ้ามันรักมันเอ๊ะมันเอียงก็เท่เลยครับเข้าใจนะก็ต้องเอาความเกลียดนึงให้มันกลับก็มาอยู่คงกลางพอเลยรักใครก็ดูอสุภะของเขาจะได้เกลียดเขา ใร่ไหมอ่านี่แหละคือปัญญานี่แหละคือนิมิตเข้าใจไหมยี่คนมาตั่งคิดว่านิมิตต้องนั่งหลับตามันไม่ใช่เนิมิตก็คือภาพที่เรานึกขึ้นมาในใจเราขนาดนี้แหละพอเนึกถึงสิ่งที่ไม่น่ารักในใจเราก็หายจากเอการมาลาคาแล้วแต่ว่ามันปัญหามันนึกไม่ออกกันสิอ่ามันไม่มันไม่มันไม่มีโอกาสนิมิตเลยมันมีแต่มีแต่สุภานิมิตตลอดเวลา ถึงต้อมาเจริญสุภากันไงเพื่อจะได้เกิดอสุภาษนี้ไม่ขึ้นมาเวลาที่เราต้องการมันตอนนี้เราไม่จําเป็นตอนนี้เราไม่มีกามารมณ์ไม่ต้องไปดูอสุภะหรอกใช่ไหมแต่เวลาเกิดการอารมณ์เนี่ยมันต้องมีที่ีะไม่มีฝังอยู่ในใจเราเลยเราไม่เคยสะสมไว้เลยมันก็ไม่โผล่ขึ้นมามเราถึงต้องมาสะสมหนึ่งตอนนี้ก่อนมา<ม>พิจารณาอยู่เนือง การพิจารณาอยู่เพียียวนี้ก็เป็นการสะสมนิมิตเหล่านี้ให้มันอยู่ในใจเราพอเวลาที่เราจะใช้มันเราจะได้ดึงมันออกมาได้ดงั้นคนบางทีแปลค า, าว่านิมิตไปต่างๆนา น, นาไงเขาคิดว่านิมิตนี่จะต้องเป็นสิ่งที่นั่งหลับตาเห็นในสมาธิเท่ทานั้นถึงจะเป็นนิมิตนี่ก็เป็นการแปลความหมายของคนอ่านหนังสือไปนะั่นเอง ถ, ถ้าทำถ้าไม่หลับตาพอเห็นด้วยตาจริงนี่ไม่ได้เป็ี่ยนนี่มีมหาว่าเป็นสัญญาสังขารไปและวตอนนี้มีตเป็นมาจากไหนถ้ามันไม่มาจากสัญญาสังขาร mm hmm. <laughs> ใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะั้นอย่าไปสนใจมันที่มามันมายัางไงคอยมันใช้ใช้ดับความทุกข์ได้หรือเปล่าพอเอาตรงนั้นดีกว่าเราดูตรงนั้นดีกว่าเอามาใช้ดับกิเลสตัณหาได้หรือเปล่า mm hmm. ถ้าใช้ดับได้มันจะมาทางไหนก็เอาเอ า, เอามันได้ทั้งนั้นะ เอามาทางหลับตาก็ได้เอามาทางลืมตาก็ได้ <Okay. S 1> อย่างเพิ่งนี้เขาจะมีพาพระบวชใหม่ไปดูการผ่าศพกันเน uh huh. ตรงนี้ก็ไปดูน uh ิมิตไปดูดูอสุภนิม uh ิตกันที่โรงพยาบาลจุฬามั้งที่กรุงเทพทุกปีจะเป็นธรรมเนียมของพระบวชใหม่ที่วัด น, นี้ uh huh. ก็จะพาพระไปดูอสุภากัน uh huh. ไปดูแสกก็ไปกินติ่มชําอ่าไปกินติ่มซ้ำต่อไม่ <c oughs> <c oughs> จะกินลงข้าเปล่าอาจารย์คะยมีคําถามหนึ่งที่ขาดใจอยู่คือเกี่ยวกับเรื่องการตายของมนุษย์นีอย่างแผนปัจจุบันนี้เขาบอกว่าสมองตายถือว่าตายแต่พุทธเจ้าบอกว่าคาทาวัตถุคูอหัวใจเนะี่ยคือจิตอยู่ในหัวใจคือถ้าหัวใจหยุดเต้นก็ตายไม่ใช่แล้ว หาทายวัตถุนี้ไม่ได้ไหมถึงตัวอหัวใจหยุดเต้นมันก็ตายใช่ไหมตอนนี้ถ้าหัวใจยังไม่หยุดเต้นแต่เขาบอกว่าสมองตายแล้วหัวใจยังไม่หยุดเต้นเนี่ยการไปผ่าเอาอวัยวะเนี่ยสมมุติเขาบริจาคอวัยวะก็ือเทากับฆ่าเขาก็มันอยู่ที่คําคํานิยามของคําว่าตายอันนี้เป็นสมมุติแล้วแต่คนกิเลส ข, ของใครชอบอย่างไรเขาก็จะนิยามไปทางที่เขาชอบถ้าเขาต้องการอวัยวะเขาก็บอกตายแล้วที่พอสมองตายก็ตายแล้ว ใช่ไหมเพราะเขาจะได้เอาวิวัฒน์ไปไปไปถ่ายให้คนอื่นต่อไปเขาก็อยากจะแปลความตายเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าก็บอกเราให้หัวใจตายอาจจะอาจจะสายเกินไปใช่ไม่ได้นี่หนูเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เคยแอกว่าเหมือนกับเจ้าชายเจ้าหญิงนิทาค่ะไปตั้งหลายหลายวันอยู่เหมือนกันเขาก็ประมาณว่าเหมือนกับสมองตายเขาบอกว่าตายแน่ตายแน่ก็เหลือแต่หัวใจเต้นอยู่ร่างกายก็นิ่งๆ แต่พอเขาฟื้นกลับมาก็าบอกเขาได้ยินทุกอย่างที่คนอื่นพูดก็แสดงว่าเขารู้สึกเขาได้ยินหมดเลยที่ระหว่างที่เขานอนนิ่งๆเนี่ยทุกคนขยับตัวเขาใครพูดว่าอะไรเขาได้ยินหมดเลยคือความจริงมันดูที่ลมหายใจเนี่ยดีที่สุดเพราะเจ้าให้พิจารณาความตายที่ลมหายใจหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายอย่างนีห ม, หมออย่างนี้ตายแน่ๆใช่ไหมไม่ต้องมาเถียงกันให้เหนื่อย ก็เป็นหมอหมอวิสันยีเนี่ยเดี๋ทีนี้หนูที่หนูถามเรียกว่ามิเชลบริจาควิญญาดีไหม <c oughs> หนูบริจาก <c oughs> ก็ต้องบริจาคตอนที่หนูยังไม่ตายถึงจะได้บุญบุญคงเจ็บมากเลยนะไม่เจ็บเขา ก, ก, ก็ฉีดยาชาได้ถอดออกไปได้หนูทราบว่าเขาไม่ฉีดถ้าเกิดสมองตายเขาไม่ฉีดเขาบริสุทอ๋อไม่หนูต้องบริจาคตอนที่หนูยังมีมีความรู้สึกอยู่รู้อยู่ <c oughs> จนบริจาคตายไปบริจาคตาไปอย่างนี้ ถึงจะได้บุญถ้าหนูตายไปแล้วหนูไม่รู้เรื่องแล้วเขาเอาไปทำอะไรนะี่หนูไม่ได้บุญแล้วเพราะหนูไม่มีความรับรู้คนที่บริจาคต้องต้องมีความรับรู้ถึงจะได้บุญจากการบริจาคของของตนเพราะมันจะมันจะสะเทินใจเราสะเทินกิเลสของเราเพราะเราปล่อยวางได้เราตัดอุปทานได้เรายึดติดในตายึดติดในอวัยวะแล้วเราละอวัยวะนั้นไป แสดงว่าเราปล่อยวางอุปทานได้ใจเราก็เบาลงสงบลงแต่ถ้าเราตายไปแล้วแล้วเขาตัดไปเอาเอาวัยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราไม่รู้เรื่องนะแม้ว่าเราจะตภาวนาะว่าจะบริจาค อ, อันนั้นปเป็นเพียงเพีงกานสัญญาเฉย ๆ, ๆเป็นการมกไม่ได้บุ ญ, บญแต่ได้ประโยชน์คนเข้าก็ยังรับเอาอวัยวะคนรับมันได้ประโยชน์แต่คนให้ไม่ได้ประโยชน์นะะอ่า คนให้จะได้ประโยชน์ตอนเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวอยู่เพราะเขาจะได้ปล่อยวางอุปทานนะปล่อยวางตันหาความอยากในในใจของเขาความหวงเนะี่ยตอนนี้ถ้าเกิดแม่ไม่สบายแล้วต้องการเปลี่ยนไตยอย่ายหนูมีตายหนูองค์บริจากให้แม่ดีกแล้วหนูจะมีความรู้สึกที่สุขมากขึ้นปิติอะไรเงี้ยอ่านั่นแหละบุญแล้วะต้องเกิดขึ้นในขณะที่เรารับรู้อยู่ แต่ถ้าเกิดหนูตายไปแล้วเขาเอาไปให้แม่เราก็ไม่ดูแล้ว<ม>เราก็ไม่รู้ว่าเราตายของเขาของเราเขาเอาเข้าไปให้ใครที่ไหนเราก็ไม่ดูแล้วเอาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้การบ<ม>ริจากนี่ไม่ได้ฮะไม่ ว, ว่าไม่ดีผิดแต่พูดให้เข้าใจจะได้ไม่หลงกันบริจากไปก็ดีคนที่รับนะถ้าได้ประโยชน์แต่คนให้นี่ ถ้าจะได้ไประโยชน์ก็ต้องให้ตอนที่ไม่ตายตอนที่ตายแล้วไม่ได้รับประโยชน์เพราะไม่รับรู้ไม่ได้รู้ว่าได้บริจาคของนี่ให้ใครไปแ้วบางทีก็บริจาคไม่ได้ด้วยไม่ทันอ่าใช่อนนี้เพียงแต่ทำความเขาาา้าใจทราบเดี๋ยวคนจะไปพูดกันแล้วมันเข้าใจผิดกั น, กน ด, ดังหน่อยจนะได้เสียงดังหน่อยขอค่ะ อะถามว่าจะมีวิธีไหนหรืออบายไหนที่จะลดหรือว่ากำจัดตัตหาและอีโก้ของตัวเองก็ทำตัวให้เป็นแจวะรับใช้ผู้อื่นไปรับไปไปทำงานสาธารณะประโยชน์ไปโรงพยาบาลไปเป็นพานโรงหรือไปทำงานอะไรที่ต่ำต้อยก็เป็นการลด ตาตัวตนลงไปคือพระเจ้าบอกว่าให้ทําตัวเป็นปตัตตพีคือให้ต่ําที่สุดลองไปปลอมเป็นขอทานดูสักวันดูเลย <c oughs> ลองไปหาเสื้อผ้าขาดๆแล้วก็ไปนั่งแถวข้างถนนที่เขามีขอทานอยู่แล้วลองไปเป็นขอทานดูหรือมาบวชพระเนี่ยมาบวชพระก็เป็นขอทานพระสมัยก่อนนี่เป็นขอทานยิ่งกว่าสมัยนี้นะ สมัยนี้พระมันเป็นที่เขาศรัทธาเรื่อสายแล้วแต่สมัยพระพุทธกาลนี่เขายัางไม่ค่อยเรื่องสายเขาก็เห็นว่าเป็นเหมือนขอทานหรือแม้แต่สมัยนี้พวกที่เป็นฤาษีชีพายที่อยู่ประเทศอินเดียเนี่ยคนเขาก็ไม่ค่อยศรัทธาหรอกเพราะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันเพียงแต่ว่าพอตอนมาขอขอทานเขาก็ให้ไป เออทำตัวให้ต่ำต้อยทำตัวให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วปัตภีอตาจะทำได้ก็ต้องลองไปต้องไปทาจริงๆดูอย่างเวลามาอยู่วัดเนี่ยถ้าบวชเนี่ยคนบวชใหม่นี้เขาจะให้เป็นเหมือนกับฐานเกณฑ์แม้ว่าจะมีฐานะเดิมเป็นอะไรมาก็ตา่างจะเป็นใหญ่เป็นโตมายัางไงพอมาบวชปั๊บก็ถือว่าเป็นภาพบวชใหม่ พระบวชใหม่ก็ต้องอยู่ท้ายแถวทาเดินบินาบาบก็ท้ายแถวนั่งฉันอาหารก็อยู่ท้ายแถวเราก็ต้องทำงานของพระบวชใหม่ล้างซ้วมล้างกระโถนให้ครูบาอาจารย์ซักกีวรกวาดถูสาราทำงานอะไรต่างๆอันนี้เป็นการฝึกให้ละตัวตนอันนี้มันมีหลายวิธีมันไม่ใช่แต่มีวิธีเดียวอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่ง วิธีที่ที่จะถาวรก็ต้องภาวนานั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบนี้ใจไม่ได้คิดปรุงแต่งตัวอัตตาตัวตนก็จะหายไปชั่วคราวเราจะเห็นคุณประโยชน์ของการไม่มีอัตตาเพราะตอนนั้นจะเหลือแต่ตัวรู้ตัวตนมันหายไปเพราะสัญญาสังขารมันหยุดทํางานมันก็เลยไม่ได้คิดว่ามีตัวมีตน เราก็จะได้รู้ตัวตัวจริงของเราว่าเป็นตัวรู้นี่เองแล้วต่อมาเราออกจากสมาธิมาเราก็นึกถึงตัวรู้นี้แล้วก็พยายามทําะทำตัวเราให้เป็นเพียงแต่ตัวรู้ให้รู้เฉยๆอย่าไปว่าเรารู้อะไร่้ใ ห, ให้ให้รับรู้แล้วก็อย่าไปมีความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยง มันไม่ใช่ของเรามันเกิดแล้วมันดับมันมาแล้วไปถ้าไปอยากให้มันเป็นอยู่กับเรามันก็จะทุกเวลามันจากเราไปอันนี้มันก็จะเห็นโทษของการมีตัวตนเพราะมีตัวตนนี้ก็จะมีตัวอยากขึ้นมาพอมีอะไรปั๊บเป็นของเราปั๊บนี่ก็มีตัวตนละแต่ถ้าเราดูว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ไม่ใช่ของเราเป็นของที่ มีอยู่ใช้มันได้ก็ใช้มันไปใช้ไม่ได้มันจะไปก็เรื่องของมันมันจะอยู่ก็เรื่องของมันต่อไปมันก็จะละตัวตนไปได้มันไม่ใช่ของง่ายเพราะว่ามันเป็นกิเลสที่ลึกที่สุดนีผู้ที่จะละตัวตนได้ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นพระโสดาบันนี้ยังละตัวตนไม่ได้คือแต่ละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าตัวตนมีอยู่ในฐานห้าแต่ในจิตมันยังมีมานะอยู่ มานะก็คือการถือตัวถือตนอยู่ถ้านาคามีก็ไม่ได้ละตัวนี้ต้องละพระอรหันตานั้นถึงจะละตัวมานะนี้ได้อาการข่มคนอื่นนี่เป็นลักษณะเด่ของตัวไหนคะข่มยังไงละอย่างเช่นข่มครูวเขาข่มดูถูกเขายกตนข่มท่านก็มานะนี่มานะอ่มานะถือว่าตนเองสูงกว่าเขาเท่าเขาหรือต่ากว่าเขานี่ก็ถือว่าเป็นมานะ อีนนโซดาบันก็ยังมีมนะมีอนาคามีก็ยังมีเเพราะมั น, มนอานาคามีนี้กับโสดาบันนี่มันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องใจกิเลสในใจยังยังยังมีอยู่กิเลสที่เกาะอยู่กับร่างกายนี่ถูกทําลายไปโดยการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ําลมไฟ ส่วนพระนาคามีก็ทำลายความอยากที่จะมีร่างกายคนอื่นมาเป็นแฟนอย่างี้ไม่ไม่ต้องมีแฟนไม่มีการอารมณ์พนาคามีนี่ดับการอ า, ารมณ์กามราคะพระโสดาบันดับสักยทิฐิส่วนพระอรหันต์นี่ดับมานะวิชามันเป็นมันละเอียดขึ้นไปเท่าไ ตามขั้นของมันอิเลสขั้นหยาบก็ขั้นของโสดาบันขั้นกลางก็ขั้นอาาคามีขั้นละเอียดก็ขั้นพระอาหารหันต์อาว่ามาขอถามคะ่ะคื อ, อเริ่มปฏิบัติตั้งแต่อายุสาสิบสามนะคะตอนนี้ทตอนนะี้สามสิเก้าค่ะหกปีหกปีแ ต, แต่ว่าตอนนี้ทำครั้งแรก ตอนนั้นรู้สึกทุกข์ใจค่ะแล้วก็แต่ก็ไม่เคยฟังธรรแต่ก็แค่ไปวัดทำบุญธรรมดา ว, <ฮ>วทีนี้นั่งสมาธิแล้วทีนนี้ก็นั่งไปแล้วรู้สึกว่าลมหายใจมันมันหยุดก็เลยอไรล่ะแบบทำลมหายใจขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็เลยไปได้ยินไปได้ยินพระเทพว่าถ้าลมหายใจหยุดก็คือให้เราดูในสิ่งที่เรารับรู้ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้พอลมหายใจหยุดก็เริ่มรู้สึกว่า ปวดตามเนื้อตามตัวปว ด, ด้ากปวดแล้วก็เขนก็หนักเหมือนเหมือนรถบรรทุกถับแล้วก็สักพักก็ปวดทุกส่วนของร่างกายแล้วก็โยกเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านเหมือนก็บจะจะกระเดินออกจากบ้านเลยะคะ่ะแล้วสักพักก็หยุดแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับตกหลุมหลุมแล้วก็หลุมลึกเหมือนกระตกอ่าหลุมอากาศนะคะแล้วสักพักก็นิ่ง นิ่งนิ่งก็คือไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยทีนี้หลังจากนั้นก็นานพอสมควรแล้วทีนี้ออกออกมาจากตัวนั้นเสร็จก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีความสุข <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าในที่เราทุกไม่ใช่คนอื่นแต่ไม่เราทุกในตอนนั้นก็แล้วก็รู้สึกตัว น, นั้นรู้สึกว่าไม่กลัวอะไรไม่กลัวตายแล้วก็ไม่อยากได้อะไรแล้วก็คิดเออ คิดว่ามีเขอบครัวมีรู้คิดว่าอถ้ามีใครเสียในครอบครัวก็คงคงไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าเป็นได้อยู่เป็นได้แบบนั้นอยู่ประมาณปีหนึ่งแต่ว่าก็ทำสมาธิแบบไม่ได้ติดต่อแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็มาทำสมาธิอีกก็รู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิาความคิดมันก็จะผุดขึ้นมาผุดมาเรื่อยๆผุดผุดผุ ด, ผ ด, ผดแล้วก็ตกเหว อ, อีกเหมือนเดิมแล้วก็ แล้วก็นิ่งทีนี้หลังจากนั้นแต่ว่าแต่ความรู้สึกอพวกโรบกรุดห ล, กก ล, ลองอะไรพวกนี้ก็กลับมาอีกเข้ามาโมวงหเหมือนเดิมบางทีก็งุ่นหิดหรือว่ารู้สึกกลัวอะไรพวกนี้นะคะมั น, ม, นมันไม่ต่อเนื่องตรงนี้เราจะทำยังไงคะเพราะว่ารโรคกรุดหลงนี่มันต้องใช้ปัญญาถึงจะดับมันได้เวลาโลคอะไรนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณา ว่าสิ่งที่เราโลภอยากได้นี่มันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราทุกข์ต่อไป mm hmm. เช่นอยากได้แฟนเวลาได้มาใหม่ๆ mm hmm. ก็ดีใจมีความสุขต่อไปก็ทะเลาะกันก็กลายเป็นความทุกข์หรือเขาทิ้งเราเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีแฟนมันก็จะเลิกโลภได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือม่ครอครัวแต่งงานแล้วก็มี เพราะว่าตอนตอนที่นั่งสมาธิเมื่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากออกบวชแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีครอบครัวเราไม่มีปัญญาเือพิจารณาว่าลูกก็ต้องตายครอบครัวก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่จากวันนี้ก็ต้องจากวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้ายังจากได้พระพุทธเจ้าก็มีครอบครัวทําไมท่านจากได้เพราะท่านมีปัญญาเราไม่มีปัญญา ฉั้ต้องเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆว่าลูกก็ต้องตายสามีก็ต้องตายครอบครัวในที่สุดก็ต้องล่มสลายไปจะกอดกันตายหรือจะแยกกันอยู่ถ้าแยกกันก็มีโอกาสหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าบอกแยกกันดีกว่ากอดกันก็จมน้ําตายกันไปหมดถ้าแยกกันต่างคนต่างว่ายก็เดี๋ยวก็ไปถึงฝั่งกันพอพร ะ, พจะเจ้าแยกต่อมาลูกก็ตามมาบวชใช่ไหมต่อมาภรรยาก็ตามมาบวช พ่อแม่ก็ตามมาบวชก็หลุดพ้นกันตามเห็นเราคิดไม่เป็นเราไม่มีปัญญาเราคิดว่าจะต้องกอดกันตายไปใช่ไมตอนนี้ก็ไม่ทราบจริงๆอ่าก็ไม่มีปัญญาไงต้องพิจารณาตายรับอยู่เรื่อยๆทุก อ, อย่างไม่เที่ยงในที่สุดก็ต้องจบสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา เราได้สมาธิแต่เราออกจากสมาธิมาเราไม่ไม่ใช้ปัญญาก็เลยรักษาความสงบที่ได้มาจากสมาธิไม่ได้พอกิเลสเกิดความโลภขึ้นมาก็อยากได้ทันทีถ้ามีปัญญาก็คอยสกัดความโลภได้ความอยากได้แต่ช่วงหลังนี้ทําไม่ได้เลยค่ะก็ไม่ทํามันก็ไม่ได้เลย ก, ก็คือคือทําอยู่แต่ว่าไม่ได้ความสงบมาเ้าไม่ถึง ทำไมไม่ได้เมื่อเคยได้แล้วทำไมตอนนี้ไม่ได้ก็รู้สึกมันฟุ้งซ่านนะคะก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าอดีตที่เราได้มันทำยังไงแล้วก็ใช้วิธีนั้นแล้วก็ช่วงหลักมานี้ก็คือกระทั่งผ่านวีทนาเพราะว่าอย่างรนูฟังน่ะหลวงพ่อถ้าเรามีวีทนาขึ้นมา ให้เราพูดโทพูดโทแต่ยิ่งพูดโทยิ่งอะเอาไ้พูดโทรจริงสิถ้าพูดโทจริงมันจะเบา้าไปพูดโทแล้วอยากให้มันหายมันยิ่งมันยิ่งหนักถ้าพูดโทแล้วไม่ต้องไปสนใจมันจะหายไม่หายไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันไปให้อยู่กับพูดโธอย่างเดียวแ ล, แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเพราะว่าหนูทำแล้วทีนี้ อ, อย่างเวทนาขึ้นมาถ้าเราไม่พูดโทแล้วเราพิจรารณาว่าควาปวดเนี่ย แต่ทีนี้เคยทำแล้วแล้วมันรู้สึกดีขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าหนูต้องการให้มันหายหรือเปล่าครับมันจะปวดมากปวดน้อยอยู่ที่ความอยากของเราถ้าอยากให้มันหายมันจะปวดมากถ้าไม่อยากให้มันหายมันจะไม่ปวดโดวที่ทำให้ปวดมากก็คือความอยากเพราะมันปวดที่ใจอีกชั้นหนึ่งที่ร่างกายมันเท่าเดิมแต่มันเพิ่มความปวดที่ใจมันก็เรู้สึกปวดมากขึ้น ถ้าหยุดความปวดหยุดความอยากที่ที่ใจได้ความปวดที่ใจหายไปความปวดที่ร่างกายจะไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเวลาหมอบอกจะฉีดยาเนี่ยยังไม่ทันฉีดเลยใจมันปวดขึ้นไปก่อนเลยนะแต่ถ้าว่าพูดฉีดก็ฉีดมันเฉยเฉยมันก็ไม่ปวดเข็มฉีดยามันก็ปั๊บเดียวเนะความเจ็บของร่างกายก็เหมือนเข็มฉีดยา ความปวดของใจก็คือความกลัวความเจ็บความไม่อยากจะให้ฉีดเนี่ยมันทำให้เกิดปวดทรมานมากกว่าความเจ็บของทางร่างกายเราต้องหยุดตัวตัวความอยากนี้เจ็บก็เจ็บไปแตมึงจะเจ็บก็เจ็บไปมันเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกู่ความเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายเราเป็นใจเราอยู่ที่ใจเราทําใจเฉยเฉยเสียงพุโทโธพุโทโธไปปล่อยให้มันเจ็บไป ถ้าใจไม่เจ็บแล้วก็จะไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้ที่เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนเพราะความเจ็บของร่างกายเดือดร้อนเพราะความเจ็บของใจที่อยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปในเวลาพุทโธอย่าไปอยากให้มันหายพอพุทโธสองสมคำอเอ้ยยังไม่หายสักทีก็เลยหยุดพุทโธมันอย่าไปสนใจพุทโธไปฝากเป็นฝากตายอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆให้มันขาดใจไปกับพุทโธเลยเอาเดี๋ยวมันก็ จะหายไปเองความเจ็บทางใจแล้วความเจ็บทางร่างกายจะไม่มีปัญหาเพราะถ้าความเจ็บทางใจหายไปจิตมันจะสงบไปมันจะเป็นสมาธิมันจะเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะสักแต่ว่ารู้ได้ <c oughs> งถ้ายังไม่หายอย่าเพิ่งอยู่พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธจนกว่ามันจะหายแล้วอาจารย์ที่ว่าเหมือนเรา หลุมอะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่แค่เป็นอาการที่เฉยใช่ไหมคะไม่ใช่ความส <c oughs> งบก็มันเป็นลักษณะของจิตที่จะสงบมันมักจะวุบลงไปมันตกหลุมตกบ่อตกเหวแล้วก็จะนิ่งแล้วก็จะเป็นอุเบกขาจะสัตวารู้อันนี้เรียก ว, ว่าการเข้าสมาธิมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็มีบ่อยครั้งที่แบบนี้นะคะแล้วก็นั่งไปแล้วเหมือนเป็นเหมือนตกหลุมตัวนี้แล้วทีนี้บางทีก็เหมือนมี เป็นสัตว์เป็นเหมือนอยู่ในชีวิตจริงเลยค่ะเป็นเหมือนหมาหมาวิ่งชนแต่ว่าก็คือก็คือลืมตาเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าหมาวิ่งชนอันนั้นมันก็เป็นนิมิตมาหลอกเราแสดงว่ามันสงบแล้วมันไม่นิ่งเราต้องใช้สติเอควบคุมให้มันนิ่งอย่าไปรับรู้กับสิ่งที่มาปรากฏให้เรารู้อย่าไปสนใจ ก็การเกิดแสงสว่างตัวนี้ก็เจอเหมือนกันตอนแรกเป็นเป็นเหมือนแสงทิ่มตาก็เรย่ลึนตาเพราะมันสว่างมากอันนี้ก็ก็คือแยกไม่ได้ว่าอ่าไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมีอะไรมาปรากฏอย่าไปอย่าไปสนใจบางทีมันก็คุมไม่ได้นะคะท่านทําังไก็ต้องฝึกคุมมันเลยทำใจเฉยเฉอย่าไปสนใจให้อยู่กับความว่างอยู่ความสงบไป เดี๋ยวจะให้พรก่อนนะเผื่อใครอยากจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวใครจะฟังต่อก็ได้นะเพราะเดี๋ยวมีคำถามคำตอบทางบ้านส่งเข้ามาอีก<ม>ตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วบอตอนนี้เหลือ276ต่มต้นเท่าไหร่ตอนต้นเท่าไหร่ตอนตอนอ้น220บาทก็200กว่ามันี่ ube, YouTube ท <40 S 1> ูบ41นะไป้นไปถึ49 4ะ แต่วมื่านนี้คนเข้าถึงต้องสามแสนกว่าเข้าถึงไม่รู้หมายความว่าไงคนจะคิดเข้ามาดูแล้วก็ไปพอดูว่าเจ้าเก่าหรืครับไปดีกว่ า, ไ, วาไม่ได้ดูตลอดออแต่ไปกังวลเรื่องที่ปฏิบัติจนลืมไปว่าตัวสำคัญก็คือตัวสติต้อใจขาบน ดวงจะเข้าไปอธิษฐานวุฒิาจีอาจารย์ชิจุลาท่านอายุ84ปีเจ็ดรอบค่ะเจดคนดวงขอไปแจกได้ไหมคะอาจารยา์อยา่าเลยไม่อยากให้เอาไปแจก เ, เ, เอาไปฟังของเราดีกว่าอแต่เขาอยากจะได้เข้ามาเอาเองไปก็ไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าเราก็มีอะไรที่ดีกว่านี้ให้ตอบแทนครูบาอาจารย์แต่เรื่อให้ทำารมีครูบาอาจารย์อก็เอาไปไปปั้มเอาเองสิถ้าอยากจะไปแจกก็เข้าไปเรยค่ะ นั่งซื้อซีดีแจกนะเอาไปอ่านนะไม่ให้เอาไปแจกเอาเมื่อกี้จะถามอะไรเมื่อก้กนจะถามว่าอย่างบางทีความต้องการของเรากับความต้องการของผูกก้ไกลอาจจะไม่เท่ากัน จ, จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถ้าเราไม่ทําตามที่บิยามารดามีความต้องการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราบาปไหมคะ่ะไม่บาปหรอ เราต้องดูความถูกต้องเป็นหลักอันไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ถูกสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรทําถึงแม้จะเป็นบุพการีก็ตามเหมือนพระพุทธเจ้านี้พ่อก็อยากจะให้อยู่เป็นจักรพรรดิแต่นั้นไม่ถูกพออยู่อยู่เป็นจักรพรรดิก็ต้องทําบาปต้องทําสงครามไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดองค์จ้าก็ไม่ฟังพ่อถึงเวลาจะไปก็ไปเลย แต่บางทีมันก็ไม่เกี่ยวมากไม่เกี่ยวนักกับเรื่องว่าบาปหรือไม่บาปค่ะมันอาจจะเป็นความต้องการที่ไม่ตรงกันเงี้ยค่ะก็นั่นแหละมันก็ต้องอันไหนมันสําคัญก่อกันนะสําคัญกับเราหรือว่าสำคัญกับเราสำคัญกับการหลุดพ้นของเราก็รต้องอยู่ตรงนั้นถ้าทําแล้วทํำแล้วติดกับเวรได้ตายเกิดก็อย่าไปทํามันแล้วก็อยากให้มีแฟนเราไม่อยากจะมีแฟนเนี้ยก็อย่าไปมีเีย มีครอบครัวแล้วมันก็มีบ่วงมันก็จะติดอยู่กับการเงินไหวตายเกิดการไม่มีครอบครัวมันก็จะตัดบ่วงไปได้ก็จะมีโอกาสไปบวชได้ไปอยู่คนเดียวไปปฏิบัติธรรมได้ไปหลุดพ้นได้อ่าใช้ได้ยังมานั่งถ่ายาทอดสดด้วยเลยเนี่ย อยากจะถ่ายตอนนี้ถ่ายทอดสดให้ชาวบ้านทั่วโลกดูเอี้ยไมเนี่ยเข้าเห็นทั่วโลกเลยนี่ยกำลังถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยอ้าวพนมมือท่านหน่อยแนะนำตัวเองหน่อยเธอะใครอยากจะรู้จัก พอแล้วพอแล้วตอนนี้ถ่ายทอดสดอยูนะ่อันนี้กรณีพิเศษเพราะมีคําถามครับของผ่ครับคือตอนเมื่อสมัยผมเคยปวดพระครับเคยฝึกสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าตั้งใจมากๆแล้วก็ได้ปฏิบัติถึงระดับหนึ่งคือเหมือนกับว่าไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับคือสมาธิค่อนข้างลึกนะฮะแล้ว เ, เกิด เหมือนโลกาธาตุกระเทือนแล้วเหมือนแผ่นดินไหวแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความกลัวขึ้นมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่เหลืออะไรเลยครับ<ม>ไม่เหลือตัวตนไม่เหลือหาัวเองไม่เจอแล้วก็เหลือ <uz ur. S 1> แต่จิตล้วนๆมืดเหมือนอยู่ในอวกาศผมรู้สึกว่าเงียบเหลือแต่ความคิดล้วนๆแล้วก็เกิด<ม>ความกลัวแบบยิ่งกว่าความตายนะครับ ตอนนั้นผมผ่านความกลัวผมเรียกว่าเหมือนกับว่าเอาชีวิตข้อแรกยอมแล้วครับแต่ว่าพอถึงจุดนี้ผมกลัวยิ่งกว่าตอนนั้นอีกคือยิ่งกว่าความตายแล้ก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วผมเกิดความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นให้คาบอบลยไม่ได้อีกแล้วคือเงียบเกิดแต่ความคิดว่าอยากจะอยากจะกลับอยากจะกลับมาอย่างเดียวเลยคือ อยากจะกลับคืนสู่สติเหมือนเดิมไม่ไม่ไม อ, ยอยากอยู่ในภาวะ น, นั้นแล้วแล้วพอกลับปุ๊บผมก็อีสัปหะมันก็กลับแล้วตอนนั้นก็มันเกิญอีกเหมือนกันก็ไฟไหม้กุฏิก็คือพอดีผมจุดเทียนไว้แล้วเทียนหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่น้ํานองไฟท่วมเลยครับแล้วผมก็ก็เกิดความโชคดียอย่างหนึ่งคือว่าอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าสติเลยเรียกกลับให้ให้มันดับไฟเพราะว่าตอนนั้นไฟกลางลุกที่ลานกุฏิ ค่อนข้างแรงนะฮะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าแรงกว่านี้อาจจะโดนเสือแล้วก็ไปหมดครับแต่ตอนนั้นผมคือเกิด ค, ความกลัวมากมนะครับเผลอให้าำตอบเอไม่ได้แล้วก็เกิดความรู้สึกอีกหลายๆอย่างที่ที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็ให้คําตอบกับเองไม่ได้แต่ว่าตรงเนี้ยผมคิดว่ามันมันไม่ไม่เหมือนเดิมเลยคนระับแต่ละครั้งแต่ละครั้ง แต่ละครก็มีหลายๆอย่างที่แตลกๆเข้ามาอีกหลายะครั้เหมือนกันที่ว่าอีกครั้งหนึ่งที่เคยเจอบนเขาที่ที่สางที่เป็นเป็นทางทางหนองคายครับวัดภูทอกที่ภูทอกภูทอกใหญ่ครับตอนนั้นก็ฝึกภาวนาเหมือนกันก็ขึ้นไปที่ถ้าก็ เกิดการพาวนานแล้วก็อยากจะลืมตาขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแต่พอหลับตาก็เห็นอีกพอหลับตาก็เห็นอีกพอลืมตาก็ไม่มีอะไรคือเห็นเป็นแสงสีเขียวสีแดงหลายๆสีซึ่งก็ถามพระในนั้นก็มองน่าจะเป็นเทวดาหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจก็คำตอบเองไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นแสงเล็กๆเยอะมากนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันคือ อะไรแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะใช่เพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ในถ้ำที่ชาวบ้านแล้วก็ถาพระก็บอกว่าที่นั่นเทวดาเยอะมากที่คุณชอคบคือคุณมักจะไปมองเห็นในสิ่งที่มันไม่เห็นสิ่งที่เห็นกับมองไม่เห็น mm hmm. เข้าใจหรืป่าคุณเห็นแสงมันก็แค่แสงเท่านั้นแ่ะแต่คนพยายามจะไปมองให้มันเป็นเทวดามันเทวดาไม่มีคุณไปมองว่ามันเป็นเทวดามันเป็นความคิดปรุงแต่งของคุณเอง พระพุทเจ้าบอกเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไม่ต้องไปปรุงแต่งเห็นว่าแสงก็แค่แสงเท่านั้นไม่ต้องไปว่ามันเป็นอะไรแสงก็แสงมันเป็นอะไรมันก็เป็นแสงเรากลับมองไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นกลับไปมองเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือไปเห็นว่าเป็นเทวดาเข้าใจไหมอันนี้ันเป็นความหลงของเราอะไรทำให้เราสับสน เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปรู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปแล้วใช่ไหมแค่นั้นก็ปล่อยวางไปอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากรู้วมันเป็นอะไรก็มันบอกมันแล้วว่ามันเป็นแสงแค่นั้นเองคุณอยากจะไปให้มันเป็นเทวดาขึ้นมานี่ยคือการภาวนาโดยไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาจะต้องพิจารณาทุกอย่างลงที่ตายลักษหมดเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเป็น อนนี้จังไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไปปรุงแต่งก็จะทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆจะสงสัยจะอยากรู้จะเกิดความกลัวเกิดอะไรขึ้นมาไปกลัวอะไรกลัวแสงกลัวมันทำไมมันทำอะไรเราได้กลัวความมืดไปกลัวอะไรกลัวเพราะใจเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเองอกิเลสมันมันไม่ชอบมันอะไรขึ้นมามันไม่ชอบมันก็กลัวเป็นมาสิ่งไหนที่มันชอบมันก็ ลักก็อยากได้ขึ้นมาเฉะนั้นให้ดูเฉยๆอย่าไปเห็นอะไรเราอยากไปรักอยากไปชังดูเฉยๆรูเๆ้เฉยๆรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ดับเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปถ้าไม่อยากจะไปสนใจเขาก็เอากลับมาหาที่พุทโธดีกว่าพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่รับรู้แล้วอาการกลัวอาการอะไรต่างๆมันจะไม่มี ถ้าเราภาวนาโดยไม่มีอะไรกำกับใจไว้เดี๋ยวความคิดปรุงแต่งมันก็จะปรุงปรุงไปให้เราลักเราชังเรากลัวเราหลงขึ้นมาเนี่ยมันหายไป้งนานแล้วบวดมาไม่รู้กี่ปีแล้วมันยังแบกอยู่ในใจอยู่เนี่ยไม่ถใครเลยครับนั่นเลยสิมันควรจะลืมไปแล้วถ้ามันเป็นประโยชน์ไ สิ่งที่เราต้องการอย่างมันก็คือมันเอามาดับความทุกข์ในใจเราได้หรือเปล่าดับกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจเราได้หรือเปล่าถ้าดับได้ก็เอามาใช้ไปเลยถ้าดับไม่ได้ก็โยนทิ้งไปเลยอย่าไปเก็บไว้ให้มันเสียเวลาที่เรานี่อยากจะถามอะไรหรือเปล่าหรืออยาไม่ทราบว่าเป็นอะไรอยากจะรู้ว่าจะทำางานกับมันใช่ไม้ม อยากจะรู้ว่าเวลาเข้าสมาธิลึกแบบนี้แล้วควรจะทํายังไงต่อไปสมาธิจริงๆมันต้องนิ่งต้องว่างต้องไม่มีอะไรถ้ายังไม่นิ่งไม่ว่างก็ต้องพุโทโธต่อไปอย่าหยุดพุดโทโธอย่าไปตามรู้สิ่งที่ปรากฏให้รับรู้แล้วมันจะหลงทางะมันไม่ได้ไปเข้าสู่ความสงบเวลานั่งต้องมีอะไรกํากับใจไม่ลมก็ต้องพุโทโธไห้เกาะติดอยู่กับลมเกาะติดอยู่กับพุโทโธไป อะไรจะมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันดับของมันเองมันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ากับการภาวนาของเราการภาวนาการนั่งสมาธิของเราเนี้เราต้องการกจิตให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้แล้วมันจะเป็นฐานของปัญญามันจะสามารถช่วยปัญญาตัดกิเลสได้ ถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิตัดกิเลสไม่ได้ยกตัวอย่างคนที่ติดบุหรี่ติดเหล้าเนี่เขามีปัญญาเขารู้ว่าดื่มเหล้าไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีแต่เขาไม่มีสมาธิไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากแต่ถ้ามีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยรู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีกินเหล้าไม่ดีเป็นทุกข์แล้วมีสมาธิหยุดความอยากได้ พออยากจะสูบุรี่ก็หยุดมันได้อยากจะดื่มสุราก็ดยุดมันได้นี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจมีกำลังหยุดแล้วก็การจเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นภัยต่อจิตใจของเราเราต้องมีสองอย่างมีปัญญาเห็นโทษมีสมาธิมีกำลังที่จะหยุดสิ่งที่เป็นโทษกับเราถึงต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะ ดับกิเลตัณหาได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดับไม่ได้ถ้ามีสมาธิก็ดับได้ชั่วคราวเวลาอยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาพออยากจะสูบบุหรี่ก็สูบเลยแต่ถ้ามีปัญญาออกจากสมาธิมาแล้วมีปัญญาปัญญาบอกว่าสูบบุหรี่นี่ไม่ดีเป็นโทษเรามีสมาธิเราก็ไม่สูบได้เราก็เฉยได้หยุดความอยากได้แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปหมดไป นี่คือการปฏิบัติเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อละตัณหาละความโลภจะจะละได้ต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาสมาธิก็กำลังที่จะหยุดมันมีกำลังหยุดแต่ไม่หยุดมันเพราะไม่เห็นโทษของมันก็ไม่หยุดมันจะเห็นโทษก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันจะนาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นาเราไปสู่ความสุข ได้อะไรมาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาเสียไปก็กลายเป็นความทุกข์มาได้ภรรยาได้ลูกมาเกิดวันหนึ่งต้องแยกทางกันเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเวลาอยากได้ก็คิดว่าได้แล้วก็จะดีมีความสุขมีภรรยามีครอบครัวชีวิตมีความสุขแต่ไม่มองว่ามันจะต้องมีวันจากกันไม่เห็นอนิจจังท่านยังสอนให้เจริญอา น, นิจจังอยู่เรื่อย เห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอนิจจังก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะได้มาแล้วก็ต้องเสียไปสักวันหนึ่งเวลาเสียไปก็จะร้องโหมร้องไห้แทนที่จะเป็นความสุขกลายเป็นความทุกข์ขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็มีครอบครัวคนหนึ่งสามีเพิ่งตายไปจมน้ำตายไปภรรยาก็จะนี้ร้องไห้ทุกวัน มีลูกสองคนลูกก็ยังไม่โตมากเรียนปถมกมัธยมอยู่แล้วก็ล้อว่าทําไมเขาต้องเอาคนดีไปทําไมต้องเอาคนดีไปดีไม่ดีมันไม่สนใจหรเรื่องอนิจจามันไม่เลือกเอาหมดเห็นถ้าไม่อยากจะมาล่องห่มร่อง่ายก็ต้องเห็นอนิจจานี่เรียกว่าปัญญาพออยากจะได้อะไรบอกว่า เ, เดี๋ยวต้องเสียนะได้มาแล้วเดี๋ยวต้องเสียนะ ไม่เอาดีกว่าตอนนี้ไม่มีความทุกข์ไปหาความทุกข์ก็ใส่<ฮ>หัวทำไมทุกข์ทุกข์กับสิ่งที่เรามีเขาะนะ้าใจั้มถ้าไม่มีแล้วเราจะไปทุกข์กับอะไรถ้าไม่มีภรรยาไม่มีสามีไม่มีลูกเราจะไปทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกได้อย่างไรพอมีปั๊บมันจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีมองไม่เห็นกันมองเห็นว่าเป็นสุข เ, เรียกโมหะความหลงเห็นกับตาลปั เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขใช่ไหมเห็นว่ามีภรรยามีสามีมีลูกนี้จะมีความสุขใช่ไถึงมีกันมีกันเต็มโลกเลยแล้วก็ล้องห่มล้อไห้ากันทุกคนเพราะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมีมาแล้วก็ต้องมีไปอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสาคัญสองอย่างทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาหยุดหยุดความอยากได้ สองใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะสิ่งที่อยากได้นั้นไม่เที่ยงจะต้องมีวันจากเราไปไอ้คิดสองนีถ้ถ้ามีสองอย่างนี้มันจะไม่อยากได้เลยจะอยู่คนเดียวได้ถ้าใจสงบนี้มีความสุขแล้วไม่ต้องมีอะไรก็ได้มีสมาธิก็มีความสุขได้แต่พอความหลงมาหลอกว่ามี น, นั่นจะดีกว่ามันก็ถูกหลอกไปแล้ว อย่างคุณท่าคุณบวชแล้วคุณมีปัญญาคุณคงไม่ได้เสกมามีครอบครัวแล้ ว, ลวถ้าคุณเข้าสมาธินึกในระดับนั้นได้แล้วคุณมีความสุขแล้วพอจากสมาธิมาคุณก็ไม่ใช้ปัญญาอไปเห็นว่าไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีก็เลยไปตามที่คุณคุณคิดเ <c oughs> พราะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าได้แล้วจะต้องมีความทุกข์ตามมาต่อไป กระจใจนะอยากจะเสริมอะไรไหมตอนนั้นผมก็มีความคิดที่จะไม่เสริเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังรู้สึกติดหนี้ที่รู้สึกมาเพราะว่าอยากจะมาออกมาชดใช้หนี้พ่อแม่แล้วก็แฟนที่เขานั่นแล้วก็เรื่องมีสิ่งที่เราไปกู้ยืมไว้ด้วยก็เลยคิดว่าเหมือนมันติดค้างอยู่ในใจไม่จะเคลียร์ให้จบคิดอยู่ในใจว่ามีโอกาสบ่ต่อแน่นอน แทนที่จะมีโอกาสกลับไปไปปิดโอกาสด้วยการไปมีครอบครัวแทนต้อิชอยู่ว่าทางชงับภรรยาภรรยาได้ยินแล้วเนี่ยเกคุยเขาหลายครั้งแล้วครับเดอีผมก็บอกเขาแล้วว่าใชายไัครับมันเป็นอะไรที่ยังสิดค้างอยู่ในใจแต่ตรงนี้เราก็ก็เข้าใจนะครับว่าการปฏิบัติของโยมทางโลกกับทางทางธรรมมันคนละโลกกันเลยครับ มันอยู่ด้วยกันไม่ได้คือหมายถึงว่ า, าการปฏิบัติอของพระเข้คข้นกว่าเยอะมากแต่ของทางโยมคือผงเราแล้วไม่ไ ม, ไม่ไหวนะคือมันมีสิ่งหลอกล่อเยอะเป็นไปแล้วก็ใจเรามันไม่ได้ว่าใจเราอยู่ในที่ที่แบบไม่เหมาะที่มันไม่เหมาะแล้วก็ทําให้ใจเราเฟะไปมากแล้วก็ทรมานมากมากครับใจเราอ่อนไว้ตามสิ่งแวดล้อมไปทรมานมากมากลูกพ่คือมันไม่เหมือนกับอยู่ใน มันอยู่ในที่โล่คื อ, อกายรอสบายแล้วแต่ใจเราเรายังร้อนยอมรับแต่ตอนที่ในโลกนี้ร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจร้อนไปหมด ม, ห ม, มันทำได้ยากกว่าครับรกด็ดีอย่างไรก็เห็นเห็นความแตกต่างระหว่างการอยู่แบบผู้ครองเรือนอกับอยู่แบบนักบวชใช่ต่างกันเยอะมากทำให้รู้ได้เลยว่าอยู่อย่างเงี้ยก็ได้แค่นี้ถ้าอยากจะเอาจริงก็ต้องบวช ได้คำเดียวว่าต้องบวชครับผมก็พยายามตั้งเป้าไว้แล้วก็พยายามเดินไปสู่เป้านั้นต่อไปมีเวลาก็พยายามนั่งสมาธิปิกวิเวกบ้างก็ได้ขอเวลาครอบครัวมาอยู่วัดสักสองสามวันคนเดียวมาชาติแบบบ้างอะไรใช่ครับแค่เข้ามาก็รู้สึกถึงบรรยากาศแล้วครับกระแสต่างนเยอะครับผมสถานที่สำคัญมากครับหล ใชกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกถ้ากายไม่วิเวกจิตก็จะวิเวกยากตอนนี้ไม่มีโอกาสถามทางบ้านเลยนะเอาสักหน่อยั้มมีสักสิบนาทีามีไหมมีรออยู่ไหมเอาเลือกเอาแบบที่มันแปลกๆหน่อยได้ไหมหรือ ว, ว่าคำถามจากเ c e บุ o กไลฟ์คำถามจากคุณสุทธิพงษ์ ผมนั่งสมาธิประมาณวันละหนึ่งสองชั่วโมงก่อนนอนรู้สึกจิตสงบแต่ไม่เคยรวมสักครั้งถ้าอยากให้ถึงขั้นรวมต้องฝึกสติระหว่างวันหรือว่าต้องเพิ่มเวลาในการนั่งสมาธิขึ้นอีกครับมันก็ต้องทั้งสองอย่างฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็การมีสติก็ต้องมีสติทั้งวันฝึกสติไปทั้งวันแล้วจะรวมไม่รวมก็ต้องนั่งมันถึงจะรวมได้ ดังนัถ้านั่งบ่อยๆนั่งมากๆขึ้นโอกาสที่มันจะรวมก็มีมากขึ้นแต่จะรวมได้ก็ต้องมีสติด้วยไอมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีสติแล้วมีเวลาว่างมีเวลานั่งได้มากๆนั่งได้บ่อยคำถามจากคุณสีเมืองได้อ่านหนังสือของพระอาจารย์เขียนว่าพระพุท ธ, ธเจ้าและพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วกระดูกของท่านจะกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ จะเรียนถามเพื่อเป็นความรู้เหตุใดถึงเป็นพาธาตุคะเท่าที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายมาก็คือจิตของพอาทหารนี่มันจิตบริสุทธิ์จิตที่สะอาดส่วนจิตของคนที่มีกิเลสมันเป็นจิตที่มันสกรปรกมันมีความเศร้าหมองมีโลภะโทสะโมหะมีตัณหาดูสังเกตคนที่ที่มีโลภะโทสะโมหะมากมา ก, มากเช่นคนที่มีตาแหน่งบริหารเนี่ย จะผมจะหงอกเร็วหน้าตาจะหิวเร็วเพราะความเครียดมันเยอะแต่คนที่ไม่มีตําแหน่งบริหารนี่คนที่เคยเป็นนยายกพอพ้นจากตําแหน่งไปนี่กลับมาดูหนุ่มขึ้นกั่เดิมเพราะว่าจิตมันสบายขึ้นจิตไม่มีความเครียดความเครียดเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยความกิเลสมันไปทำจะทําให้ธาตุนี้มันยิ่งยิ่งเร็วลงไปแต่ เวลาจิตที่ไม่มีกิเลสนี่มันจะไปฟอกทำให้กระดูกนี่บริสุทธิ์ไปด้วยกลายเป็นท่าขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังแล้วก็พิจารณาตามก็เห็นด้วย <c oughs> แลง้เขาถึงบอกไว้ว่าบางทีถ้าเป็นบรรุได้ไม่นานกระดูกยังอาจจะไม่กลายเป็นพระธาตุได้เพราะเวลาที่ฟอกมันมีน้อยแต่ถ้าเป็นมาหลายปีนี่มัน เป็นได้ง่ายกว่าถ้าเป็นแค่เดือนสองเดือนหรือไม่กี่เดือนไม่กี่วันนีมันไม่มีเวลาที่จะฟอกเหมือนซักเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราแช่ไว้นานโอกาสที่มันจะซักของสกปกขาบสกปกออกจากผ้ามันมีมากกว่าถ้าไปแช่ปุ๊บแล้วถูกน้าปอกยุบ ค, คุณมานเลยเนี่ยมันก็ยังไม่มีเวลาที่จะซักฟอกค <c oughs> ำถามจากคุณนะัท การละสังโยต์3นั้นเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้ละสังโยต์ได้แล้วจริงพระสภาวะโสดาบันต้องมีสีบริบูรณ์หรือครับคือเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นว่าที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่เรามีปัญญาเห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยาก ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทุกไปเปล่าก็ไม่อยากไปอยากดีกว่าปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์ก็จะรู้ว่าได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วคนที่ไม่กลัวตายแล้วก็จะไม่ไปทำบาปเพื่อรักษาชีวิตอีกต่อไปถึงแม้จะอดยาขาดแคลนก็จะไม่ไปยิงนกตกปลาจะไม่ไปลักไปขโมยไปทาอะไรที่ผิดยอมตาย ดีกว่าที่จะรักษาชีวิตเพราะชีวิตนี้ท่านเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ารักษาไม่ได้ในที่สุดก็ต้องตายไปท่านก็จะรักษาศีลอย่างบอยสุดท่านจะไม่มีศีลละพัต์ปรามาสอย่างพวกเราพวกเรานี้ชอบหาวิธีดับความทุกข์ด้วยวิธีแปลกๆไปหาหมอดูไปหาศิลแสไปเปลี่ยนทรงผมไปเปลี่ยนชื่อไป ทำอะไรร้อยแปดที่เขาบอกว่าทำแล้วจะดีทําแล้วจะเฮงทําไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอะไรความทุกข์คือความกลัวความแก่ความเจ็บความตายมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้ามาแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากแล้วมันจะไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเวลาเจอความเสื่อมเจอสิ่งที่เสียหายมันจะเฉยเฉยมันต้องเสียแหละมีอะไรมีเกิดก็ต้องมีดับมีอะไรเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดา จะไม่ได้เสียดายกับาลาบยศเสร็แลเสริญสุขเพราะเวลาตายมันก็เสียหมดอยู่ดีฉะ <c oughs> นั้นคนที่มีมีปัญญาละาักายาทิฏฐิได้ก็จะไม่ไปมีศีลละพัตปรมาไม่ไปแก้ปัญหาด้วยวิธีที่งม ง, ง, งายต่างๆแล้วก็จะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงเพราะธรรมที่ปรากฏในใจนี่ต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเราได้ยินมาจากพระพุทธเจ้ากัน ก็รู้ว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีพระพุทธเจ้าแน่นอนถึงจะมีธรรมอันนี้แล้วธรรมอันนี้ก็เกิดขึ้นในใจแล้วแล้วผู้ที่เห็นธรรมในนี้ก็คือพระสงฆ์นั่นแหละพระโสดาบันก็คือพระสงฆ์ก็เลยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องไปไปอินเดียไปพิสูจน์ว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าคนที่เขาเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาละศักยญาติถฐิได้แล้วเขาละวิจิกิจฉาได้แล้วก็ไม่ไปอินเดียให้เสียเวลาไปก็ไม่เจออยู่ดี เจอแต่สร้างเจอให้คนเข้าเล่าบรรยากาศสร้างภาพขึ้นมาเพราะเขาจะสร้างภาพเป็นขึ้นมาหลอกเราไปให้เห็นอย่างนี้ก็ยังไม่ดับความทุกข์ไม่ได้แต่เห็นจริงมันต้องดับความทุกข์ได้เห็นธรรมมันต้องดับความทุกข์ได้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากของเราและความทุกข์เสียลความอยากเสียความทุกข์ก็หายไปจิงจบมันทักแล้ว <laughs> <c oughs> คือถ้าคนไม่ปฏิบัติก็อาตมาก็ยังสนับสนุนอยู่ว่าไปเถิดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้ายังไม่เชื่อก็ไปทีส่สังเวชนิยสถานทั้งสีนี้ก็จะปลุกศรัทธาได้แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะเป็นอจาจารลศรัทธาศรัทธาที่ไม่มีวันเสริมต้องเกิดจากการเห็นธรรมในใจเท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานเลย ไปอย่างน้อยก็จะได้เห็นที่นั่งของพระพุทธเจ้าเห็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าเห็นที่ตายของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายืนยันว่ามีพระพุทธเจ้าจริงก็ไม่เสียหายอะไรแต่ที่นี่พูดถึงในเชิงปฏิบัติคนที่ปฏิบัติแล้วอย่าไปเสียเวลาไปามาหาของจริงดีกว่าของจริงอยู่ที่การปฏิบัติของข้างนอกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นของจริง100เ อ, อีกข้อหนึงงนะข้อเดียวคะก็สองข้อก็แล้วในเวลาละทั้งบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งมาใหม่ได้คำถามจากคุณหนู <c oughs> ขอเรียนถามข้อสงสัยคะ่ะว่าขณะที่นั่งฟังธรรมถ้าดูลมหายใจถ้าดูลมกายใจไปด้วยหรือพุทโธไปด้วยจะทำได้หรือเปล่าคะหรือว่าต้องตั้งใจฟังอย่างเดียว แต่ถ้าเราต้องการดูลมดูพุโทโธก็ไม่ต้องไปฟังปิดเทศเสียดีกว่างั้นมันมามาชนกันคือเราควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งการฟังธรรมนี้สำหรับคนที่หนึ่งนั่งสมาธิเองไม่ได้ดูลมเองไม่ได้พุโทโธเองไม่ได้ก็อาศัยเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนสำหรับคนที่ยังนั่งไม่เป็นก็จะทำให้ใจสงบได้ประการที่สองการฟังธรรมนี้ถ้าฟังแล้วเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญา อย่างถ้าเวลาฟังต้องอยู่ที่การฟังอยู่ที่เสียงธรรมถ้าอยากจะดูลมอยากจะพุโทโธก็ปิดปิดธรรมะดีกว่าอย่าไปฟังธรรมเพราะมันจะมาชนกันและแท้นั่นจะไม่ได้ผลจะไม่ได้ความสงบก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะมันเอามันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวฟังเสียงธรรมเดี๋ยวกลับมาพุโทโธเดี๋ยวกลับมาดูลมมันก็วิ่งไปวิ่งมามันต้องอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวคําถามจากผู้ดูแลระบบ ผมมีข้อสงสัยว่าการกระทําการุณยฆาานั้นเป็นบาปไหมครับหมายถึงฆ่าคนด้วยความเมตต า, านี่เหรอคือการที่บุคคลเป็นโรคร้ายหนักมากๆเหมือนตายทั้งเป็นแล้วจึงให้หมอสั่งยานอนหลับให้ตนเองสิ้นใจถ้าให้เขาตายนี่ผิดแต่ถ้าปล่อยให้เขาตายเองไม่ผิดเช่นถ้าถอดเครื่องหายใจออกถอดสายยางออกถอดอะไรพวกนี้ออกนี้ไม่บาป แต่ถ้าฉีดยาพิษให้เขาตายนี่บาปเพราะทําให้เขาตายด้วยด้วยการกระทําของเราที่อเมริกาตอนนี้มีกฎหมายใหม่ออกมาค่ะว่าให้สามารถจะเลือกตายได้ได้แต่กฎหมายของคนที่เป็นกิเลสมันไม่ไปเปลี่ยนกฎหมายขององั้นก็คือหมายความว่าคนที่คือหมอที่ยอมให้ยายาพิษฆ่าเนี่ยถึงแล้วถูกกฎหมายทางโลกก็ยังผิดบาปใช่บาปก็ไม่ยังบาปอยู่เพราะยังฆ่าเขาอยู่ แล้วแล้วกรณีที่แพทย์ให้มอมอปีนอะไรนะที่เพื่อให้คนไข้หายเจ็บแต่ว่าตัวมอปีนเนี่ยไปทําให้คนไข้เสียชีวิตได้อย่างนี้เป่าก็อยู่ที่เจตนาว่าต้องการให้เพื่อให้เขาตายหรือต้องการให้เพื่อดับความเจ็บถ้าให้เพื่อดับความเจ็บนี่ก็ไม่เป็นปนัญหาถ้าเกิดตายก็อาจจะแสดงว่าเป็นการผิดพลาดเหมือนขับรถแล้วพลาดไปชนหมาชนคนเดินถนนโดยที่ไม่มีเจตนา มันก็ไม่บาปเหมือนกันแต่มันก็มีโทษมีมีความเสียหายตามมาคนที่เสียหายเขา็จะมาฟ้องร้องเราได้<ม>แต่ไม่บาปคือไม่ได้ทำไม่ได้ทาบาปนี้ต้องมีเจตนาที่จะทำที่จะฆ่าแล้วแล้วก็ฆ่ า, แ ล, าแล้วเกิดการตายขึ้นมาถึางนี้เรียกก็เป็นบาป<ม>พอแล้วนะเองไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา